ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะตภะบุพะสิกขาและบุพะสิกขาวันน า, นาพระอมราธิรักิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาสรชนาต่อไปจะเป็นเสขยะว่าด้วยเรื่องของธรรมเทศนาปฏิสังยุตซึ่งก็มีสิ หกสิกขาบทด้วยกันในสิบหกสิกขาบทนี้ก็ทาให้เอื้อเฟื้อแสดงธรรมกับผู้ที่ไม่เคารพก็เป็นอบัตทุกกฎทั้งหมดในแชมัเทศนาปฏิสิงยุ์มีสิกขาบทสิบหกในสิกขาบทที่ต้นเรียกว่าฉัตตะตานิสิกขาบทเพิ่งทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นใข่มีร่มในมือสิ่งใดสิงหนึ่งอยู่ในมือ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 กำหนดทำรรให้พึงรู้โดยในดังกล่าวแล้วในปะดะโสธรรมสิกขาบทนั้นเถิดก็คือเป็นพุทธภาสิตสาวะพาสิตอิสติพาสิตเทวตาภาสิตอันมีเรียกว่าเป็นธรรมทั้งนั้นนะในทันทะปานิสิกขาบทที่สองในธรรมเทศนาปฏิจมยุทธนี้พึงสร้างความศึกษาว่าพึงทําความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข่มีทันทะคือ ไม้ท่อนยาประมาณสี่ตอกสองเมตรในพรองนี่แหละแห่งมัชชิมะบุรุษอยู่ในมือก็อแลความว่าเป็นผู้มีธันดะอยู่ในมือนี้ให้พึงรู้ในนายดังเปล่าแล้วในคนมีร่มในมือนั้นเถิดก็คือถ้ายังไม่ปล่อยไม้เท้าในมือเมื่อไหรไม่พรองในมือเมื่อไหร่ก็ยังไม่ควรแสดงธรรมในสัทธาทานิสิกขาบทที่สามพึงทาความศึกษาว่า เราจากไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข้มีสัตราคือเครื่องแทงฟันมีคมข้างเดียวหรือว่าสองข้างอยู่ในมือโดยลักษณะดังกล่าวแล้วในสิกขาบทก่อนบุคคลแม้ผูกสอดดาบยืนอยู่ไม่นัดว่าคนมีสัตราในมือเพราะว่าไม่ได้ถือไว้ถ้าสวมเข้าไว้ในร่างกายคล้องอยู่ก็อันนี้ไม่เรียกว่ามีสัตราในมือต่อไปอาวุธตานี้สิกขาบทที่สี่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 ถ้าแล้วผู้นั้นแม้เอาธนูสวมลงในคอยังไม่จับธนูเข้าก่อกรจะแสดงทำให้ควรอยู่เครื่องประหานมีคมชื่อว่าตาตราไม่มีคมชื่อว่าอาวุธเพราะเหตุนั้นแม้กระสุนและปืนก็ชื่อว่าอาวุธเหมือนกันถ้ามีกระสุนอยู่ในมือมีปืนอยู่ในมืออันนี้ก็ไม่ควรจะแสดงทำต่อไปในปาดุกะศิกาบทที่ห้าึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงทำแกผู้ไม่เป็นไข้ ขึ้นสู่เขียงเท้าสำหรับเดินอยู่แม้ไม่ได้เอาหลักสอดในง่ามนิ้วเท้าเต้นแต่เหยียบไว้หรือว่าสวมอยู่ก็ดีก็ชื่อว่าขึ้นเขียงเท้าอยู่เขียงเท้านี่ท่านไม่ให้เคลื่อนที่ได้นะเฉพาะเขียงเท้าที่เอาไว้ถ่ายปันสวะอุจจระเอาไว้ล้างเท่านั้นให้ตรึงอยู่กับที่ถ้าเขียงเท้าเคลื่อนที่ไม่ใช้ไม่ได้นั้นจะไปยืนอยู่บนเขียงเท้าอะไรนี่ก็แสดงทาไม่ได้ทั้งนั้นหะ พระพิถูก็ห้าใช้ด้วยแต่ว่าของญาติโยมถ้าเขายืนอยู่บนเขียงเท้ารองเท้าพรพิตุก็แสดงธรรมไม่ได้อุปาหนาะสิกขาบทที่หกเพิงทําความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข่ขึ้นรองเท้าอยู่ก็คืออยู่บนรองเท้าเนี่ยนางกล่าวแล้วในเขียงเท้าแม้ถอดสายผูกส้นออกเสียยืนอยู่ก็ชื่อว่าขึ้นรองเท้าอยู่เหมือนกันจะแสดงแก่ผู้นั้นไม่ควร รองเท้าทําด้วยไม้และหญ้าเป็นต้นเรียกว่าเขียงเท้าทําด้วยหนังเรียกว่ารองเทา้าก็มีความแตกต่างกันถ้าเป็นรองเ ท, า ท, งเท้านี่นน ท, ท, ท, ท, นน ท, ทํทำด้วยหนังเท่านั้นถ้าเป็นเขียงเท้าก็ทําด้วยหญ้าด้วยไม้พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้ใช้เขียงเท้าก็คือทํำด้วยไม้ด้วยหญ้าอนุญาตให้ใช้แต่รองเท้าที่ทําด้วยหนังเท่านั้นปัจจุบันนี้ก็ใช้เป็นฟองน้ําบ้างหนังบ้างหนังเทียมบ้างนี่ก็สองเคราะห์เข้ากับรองเท้าห น, านังนี่แหละ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 ลงวางไว้ก็ดีก็ชื่อว่าไปอยู่ในยานทั้งสิ้นถ้าแลแม้ทั้งสองนั่งในยานเดียวกันแสดงแก่กันควรอยู่ถ้าแสดงแ ก, ก, ก่กันอยู่บนญาณด้วยกันนี้ไม่สดไตแม้นั่งอยู่ต่างยานกันผู้นั่งในยานสูงจะแสดงแก่ผู้นั่งในยานต่าําควรอยู่แม้ในยานประมาณเสมอกันก็ควรผู้นั่งในยานหน้าจะแสดงแก่ผู้นั่งในยานหลังก็ควร ผู้นั่งในยานหลังแม้สูงจะแสดงแก่ผู้นั่งในยานหน้าไม่ควรนั่นก็ต้องเคารพกันมากเลยต่อไปสญยนะสิกขาบทที่แปด่ึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไขนอนอยู่ที่สุดจะยืนหรือว่านั่งในเตียงตังหรือว่าพื้นดินแม้สูงจะแสดงธรรมแก่คนซึ่งนอนอยู่โดยที่สุดแม้ในลนําแพนหรือว่าพื้นปกติก็ไม่ควร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 ไม่ควรแสดงต่อไปปัญละสิกะสิกาบทที่เก้าพึ่งทําความศึกษาว่าเราจับไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข่นั่งรัดเข่าด้วยมือหรือว่าด้วยผ้าอันใดอันหนึ่งเป็นนั่งรัดเข่าด้วยผ้าด้วยมือก็เหมือนกับเป็นคนจมอยู่ในกองทุกข์เพราะนั้นก็ไม่พร้อมที่จะฟังธรรมะหรอกพิสูจน์จึงไม่ควรจะไป แ, แสดงธรรมกับพิสูจ์ที่นั่งรัดเขา่าหรือว่าใครก็แล้วแต่ญาติโยมที่นั่งรัดเข่าด้วยมือหรือว่าด้วยผ้าก็ห้ามแสดงธรรม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 แม้เป็นผ้าและญ่าเป็นอย่างต่ําถ้านั่งอยู่ที่พื้นดินจะไปแสดงกับคนที่นั่งอยู่บนอาสนะนี่ไม่ควรอาสนะอะไรก็แล้วแต่ถือว่าอยู่ต่ําจากคนสั่งก็ไม่ควรแสดงต่อไปนีจารสนะสิกขาบทที่สิบสาพึงทําความศึกษาว่าเราจะไม่นั่งในอาสนะต่ําแสดงทําแก่ผู้ไม่เป็นไข่นั่งอยู่ในอาสนะสูงโดยที่สุดแม้แต่แผ่นดินสูง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 ไปข้างหน้าเราก็แสดงธรรมให้กับคนที่ไปข้างเหลังเราคนที่เข้าไปข้างหน้าเขาก็ได้โอกาสฟังไปแต่ว่าเราก็ไม่ได้มิ่นหรือว่าไม่ได้ไม่เคารพสิกขาบทอันนี้ก็เป็นอุบายหรือว่าเป็นสติในการที่จะรักษาสิกขาบทแล้วก็ได้รับประโยชน์ด้วยเพราะการแสดงธรรมนั้นเป็นกุศลแต่ว่าจะต้องรู้การะและก็มีสติธรรมชิญะญที่จะไม่ผิดต่อพระวิ น, นัยต่อไปอุปเทนะขมานาสิกขาบทที่สิบหกพึงทําความศึกษาว่าเราเดินไปอยู่นอกทาง จักไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข้เดินไปตามทางถ้าแม้ในหนทางเวกวียนทิ่ตุสองรูปเดินเสมอหน้ากันไปตามทางจักคนละทางก็คือทางล้อนั่นเองหรือนอกทางด้วยกันจะแสดงควรอยู่ในติดหกสิขาบทนี้พิกตุใดาอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแกล้งล่วงต้องทุกกดถ้าไม่แกล้งไม่มีสติไม่รู้ผู้ฟังเป็นไข่ มีอันตรายที่ตูบ้าเป็นต้นไม่เป็นอาบัติในทุกสิกขาบทเลยถ้ามาเทศนาปฏิถังยุตาก็จบข้อประกอบด้วยการแสดงธรรมต่อไปก็จะมีปกิณกะก็กะคือเบตเร์ตออีกส า, ามสิกขาบท3าสิกขาบทข้อแรกก็คือทิโตอุจาระสิกขาบทที่หนึ่งเพิ่งทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข่จกไม่ยืนไถ่อุจาระปัสสาวะ ถ้าแลทิจุไปหาที่กำลังอยู่อุจาระหรือปัสสาวะล้นไหลออกมาเสียก่อนชื่อว่าไม่แกล้งไม่แกล้งทำเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นอบัตรายสิกขาบทที่หนึ่งในปฐิกิจกะแต่ว่าเป็นสิกขาบทที่เจ็ดสิบสามในเศขษยวัดในหาฤตอุจาระสิกขาบทที่สองซึ่งเป็นข้อที่เจ็ดสี่ในเศขษฐีวัดเพึ่งทําความศึกษา ว, ว่าเราไม่เป็นใข่จักไม่ถ่ายอุจาระปัสสาวะหรือว่าบ้วนน้ําลาย น้ำมูกลงในที่มีของเขียวก็คือต้นไม้ต้นหญ้าที่ยังสดอยู่แม้รากแห่งต้นไม้ยังเป็นอยู่เลื้อยไปในดินเห็นปรากฏอยู่หรือว่ากิ่งไม้เรื้อยงอกติดดินไปก็ดีทั้งปวงนับเป็นของเขียวทั้งสิน้นก็แลจะขึ้นนั่งบนต้นไม้ถ่ายอุจาระปาสวะลงในที่ไม่มีของเขียวก็ควรอยู่ถ้าเที่ยวหาที่ปลักจากของเขียวอยู่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 ก็คืออุดะเกอุจาระึกขาบทเพิ่งทำการศึกษาว่าเราไม่เป็นไข่จักไม่ถ่ายอุจาระปัสส า, าวะบ้วนเคละน้ำมูกลงในน้ำน้ำนั้นประสงค์เอาน้ำที่บริโภคใช้ใสยได้น้ำในวัชกุดีเป็นต้นที่บริโภคไม่ได้ไม่เป็นอาบัติฝนตกห่วงน้ำท่วมไปสิน้นหาที่ดอนที่ไม่มีน้าไม่ได้จะถ่ายลงในน้ำก็ควร ถายลงบนที่บกอุจจระปัสะวะไหลทับน้ําลงไปก็ไม่เป็นอบัติในสามสิกขาบทนี้เพล็กสุใดาอาศัยความไม่เอื้อเฟือ้อแกล้งล่วงต้องทุกกดถ้าไม่แกล้งไม่มีสติไม่รู้เป็นไข้และมีอันตรายเพล็กสุบ้าเป็นต้นก็ไม่เป็นอบัติทุกสิกขาบทเลยปกินนาคาจบข้อที่ยวไร้รายปนกันก็มาดูสมุดฐานสมุดฐานท่านก็แจกไปให้ด้วย หัวเราะเสียงดังพูดเสียงดังศิขา 2, บทละสองเป็นสี่หัวเราะเสียงดังในรั arem, ้บ้าน <m uk le> นั่งในรว้บ้านตอนไปในรว้บ้านกับนั่งในรั Mina ้บ้านพูดเสียงดังไปในรั้บ้านแล Knock ้วก็นั่งในรว้บ e ้านอย่างละสองเนี่ยเป็นสี Beifall ่ละแล้วก็พูดทั้งคําข <m uk le> ้าวอย่างหนึ่งมีคําข้าวในปากแล้วก็พูดเป็นห้าแล้วก็นั่งในพื้นดินและนั่งในอาสนะต่มและยืนและไปข้างหลังและเดินนอกทางเหล่านี้แสดงธรรม นั่งที่พื้นดินปเป็นแสดงธรรมกับผู้ที่นั่งบนอาสนะนั่งในอาสนะตามไปแสดงธรรมกับผู้ที่นั่งบนอาสนะสูงยืนอยู่แสดงธรรมกับผู้ที่นั่งอยู่ไปข้างหลังแสดงธรรมกับผู้ไปข้างหน้าหรือว่าเดินไปนอกทางแสดงธรรมกับผู้ที่เดินอยู่ในทางห้าสิกขาบทนี้ก็กลายเป็นสิบกลายเป็นสิบกับการพูดดังแล้วก็หัวเราะเสียงดังอย่าง 2, ละสองแล้วก็พูดทั้งมีคำข้าวอยู่ในตากรวมสิบสิกขาบทนี้เป็นสัมมุภาชนะสมุทฐาน สามมนุษยภาสนะสมุฐานนั้นเกิดจากสมุทฐานเดียวก็คือกายวาจาแล้วก็จิตเป็นกิริยาคือมีการกระทํำสัญญาวิโมกขจิตตกะเป็นโลกะวัชะแล้วก็เป็นกายกรรมบจีกรรมเป็นอกุจอลจิตทุกขเวทนาทุกุกสิกขาบทเนี่ยเป็นทุกขเวทนาทั้งนั้นเลยนะอาศัยความไม่อือ้อเฟือสําหรับสูปโปตะวินยัตการขอแกงและข้าวสุกก็ไม่เป็นไข้แล้วขอแกงกับข้าวสุกแบบคู่ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรณนธา เป็นเหยียสัมสมมตยฐานสมุดฐานสมุดฐานเดียว ก, กันกับพวกที่ไปชักชวนพ่อค้าโจรต่างแล้วพ่อค้าเปลี่ยนต่างที่เป็นโจรให้เดินทางเลี่องภาษีเป็นส ม, มุดฐานเหยียสัมสมมตยานส ม, มุดฐานสําหรับการขอแกงกับข้าวสุกโดยที่ไม่ป่วยไข้สูโปนและหน้าวิญญาตเป็นอาบัติที่เกิดจากส ม, มุดฐานสองก็คือกายจิตอย่างหนึ่งแล้วก็กายวาจาจิตอย่างหนึ่ง เป็นจิรยาสจิตตะกะัญญาวิโมกโลกัลชาเป็นกยายกรรมวิชิกมแล้วก็เป็นอกุศลจิตทุกเวทนาส่วนี้ข้อแสดงธรรมแก่คนที่มีร่มในมืออย่างหนึ่งมีไม้พลองในมือที่สองมีสตราในมือสามมีอาวุธในมือสีออส่สวมเข็มเท้าห้าสวมรองเท้าหกคนไปในยานเจ็ดคนนอนอยู่แปดแล้วก็นั่งรถเข่าเก้าแสดงธรรมกับผู้พันติตะสิบแล้วก็คลุมติตะสิบเอ็ด คืออสิขา บ, บทนี้เป็นธรรมเทศนาสมุทฐานอาบัตเกิดแต่วาจาจิตอย่างเดียวสมุทฐานเกิดแต่สมุทฐานเดียวคือวาจาจิตเป็นกิริยาแล้วก็กิริยะด้วยเป็นสัญญาวิโมกขจิตตะโลกัชะเป็นบัญญกรรมอย่างเดียวเพราะว่าเครื่องของการแสดงธรรมเป็นอากัสรจิตแล้วก็ทุกขเวทนาที่เหลือทั้งหมดอีกห้าสิบามสิขาบทที่เหลือจากเศรษฐีวัดทั้งหมดเจ็ดิบพาที่เหลืออีกห้าสิบาสิขาบท มีสมุดฐานวิธีเป็นต้นดังปฐมป ร, ราชิกเป็นสมุดฐานที่เกิดแต่กายจิตอย่างเดียวแล้วก็เป็นสัญญมิโมกขจิตกาเป็นจุิยาลกกวัชชะเป็นกายกรรมแล้วก็เป็นอคติและจิตในที่นี้ก็ต้องเป็นทุกขเวทนาอันหนึ่งในเสกขีญนี้ในต้นอุเทศและท้ายอุเทศในปาติโมกหามีสังขยาก็คือตัวเลขกำหนดว่า อิเมโคปัญจสติติเสกิยธรรมมาดังนี้ไม่คือไม่ได้บอกจํานวนเลขเอาไว้ว่าแต่ว่าอิเมโคเสกียธรรมาดังนี้เท่านั้นซึ่งไม่กําหนดนั้นแสดงความว่าข้อซึ่งทิกฐุจะพึงศึกษาใช่แต่เท่านั้นคือไม่ได้ศึกษาแค่นี้หรอกแค่เจ็ดพันนี้แต่มีมากกว่านี้แม้วัดที่พระพุทธเจา้าบัญญัติไว้ในวัดตะขันธกะก็ชื่อว่าเสกียะคือจะต้องศึกษาเหมือนกัน ก็เป็นวัดอันที่สรจริตพึงศึกษาด้วยแท้อันหนึง่งซึ่งไม่กําหนดนั้นก็เพื่อจะแสดงจาริตฐ์ในด้วยก็คือในที่จะต้องประพฤติยังมีเรื่องที่จะต้องประพฤติอีกมากอีกเยอะเสขิยะวันนานิติตาจบเสขิยะแล้วอธิกรณะสมถะก็ไม่มีอาวัตอะไรเป็นเครื่องมือในการที่จะจะงับอธิกรณ์ก็เลยไม่ได้แสดงไว้จากวันน า, นาในบัญญัติแห่งทุกกตาบัตซึ่งมาในขันธะเป็นต้น ตามลำดับบุพพสิกขาและเติมเข้ามาบ้างในพระบัญญัติที่มีในบุพพสิกขาบุพพสิกขาก็หมายที่ว่าที่ท่านแต่งเอาไว้ก่อนแล้วเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเบื้องต้นเจ็ดข้อที่ยอดๆท่านก็จะแสดงอบัตทุกดเหล่านี้มาบ้างแล้วแต่ว่าไหนที่จะเพิ่มเข้ามาอีกท่านก็จะมีข้อสังเกตเอาไว้ก็คือในพระบัญญัติที่มีอยู่ในบุพพสิกขาจะกล่าวว่าข้อหนึ่งใช้คําว่าข้อหนึ่ง ในพระบัญญัติที่เติมเข้ามาอีกเนี่ยจะกล่าวว่าข้อหนึ่งอีกก็จะใช้ีความแตกต่างกันถ้ามีอยู่แล้วในปุพพชขาเพียงแต่ว่าขยายเพิ่มขึ้นต้องใช้คําว่าข้อหนึ่งแต่ว่าถ้าเพิ่มเข้ามารายละเอียดที่อื่นอีกในพระไตรเ ด, ดกัตถาเพิ่มเข้ามาอีกจะใช้คําว่าข้อหนึ่งอีกให้เป็นที่สังเกตและจากเชิญพระพุทธบัญญัติซึ่งมาในขันธะนั้นๆและมาในวีนีตวัตถุเป็นต้น มาเรียบเรียงกล่าวให้เป็นคาถาคถาคือเป็นเรื่องเรื่องจะกล่าวในจีวรปฏิสังยุตตากถาก่อนก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจีวรข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งนี้แสดงว่าในปุพพสิกขาท่านได้กล่าวไว้แล้วอย่างย่อยแต่ว่าท่านจะเพิ่มในรายละเอียดเทกตุยานุ่งผ้าดังเครื่อหัดด้วยพุทธประยักห้าไว้ว่าณพนะิขเวกิหินิวัตถังนิวาเสตบังภัตติโสดิกัง มัชชะวาลกังจะตกกันนงังตาลวัตกังสตะวั ล, ลิกังโยนิวาเสยะอาปติทุกตัสสัว่าทิสุอย่าพึงนุ่งผ้าดังครหัหถ้านุ่งดังเคราห์ต้องทุกข์กดนุ่งดังเครนาะหนั้นดังนี้นุ่งห้อยลงไปแต่สะดือสันฐานดังวงช้างดังนุ่งแห่งหญิงในโจละประเทศกด็ดีนุ่งให้ที่ตุดชายข้างหนึ่ง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 การนุ่งซึ่งห้ามในที่นี้ก็ดีในเสขษยะก็ดีทั้งปวงพึงเว้นเสียพึงปิดมนฑนสามนุ่งให้เป็นปริมณฑลยาให้วิการเมื่อเทอนั้นทําให้วิการก็คือแปลกไปอย่างใดอย่างหนึง่งไม่พ้นทุกกฏข้อหนึ่งยาพึงห่มดังครหัด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพนะิษเวทขหิปารุตังปารุปิตับบังว่ายาพึงห่มดังครหัดถ้าหอมต้องทุกกฎ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 และห่มเปิดแขนซ้ายที่ผ้าห่มเฉียงบ่าข้างหนึ่งคลุมอยู่เสียแล้วยกจีวรขึ้นวางบนจงอยบ่านั่งพิจูผู้จัดแถวให้นั่งตามลำดับหมดังนี้หรือว่าหอมอย่างอื่นพ้นจากลักษณะแห่งปริมณฑลทั้งปวงนั้นชื่อว่าห่มดังขรรหัตทั้งสิน้นพิจูย่าพึงห่มดังนี้พึงเว้นโทษแห่งการห่มทั้งปวงอย่างนั้นก็ดีอย่างอื่นเช่นนั้นก็ดีเสียแล้ว พึงหอมให้เป็นปริมนทนอย่าให้วิการเมื่อไม่ห่มเช่นนั้นและทําให้วิการอย่างใดอย่างหนึ่งในอารามหรือในระแวกบ้านด้วยความไม่เอื้อเฟื้อก็เป็นอบัตทุกกฎข้อหนึ่งภิกษุอย่าทรงผ้าสีต่างๆมีสีเขียวเป็นต้นด้วยบัญญัติห้ามไว้ว่าณพิกเเวสั บ, บะนีลกาณิจีวราณิณสัส บ, บะปีตกาณิณสัส บ, บะโลหิกาณิณสัส บ, บะมันเชษฐกาณิ นสบะกันหานินะสบะมหารังดรัตานินะสบะมหานามรตานินสอชินะนดสานินสะดีฆดสานินสะปุพหดสานินสภะดสานินสภณะส า, านิจีวราณิทาเรตบานินสกันะ จ, จุกังนสะตีริกังนสะเวทนังทาเรตบังความว่า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 ด้วยทรงห้ามไว้ว่าณนะพิกเวโปทโกโนิวาเสตาโบความว่านุ่งผ้าเปลือกปอเป็นทุกกฏก็แลผ้าทําได้เปลือกรักเปลือกกล้วยเปลือกตะไคร่น้ําเป็นต้นก็มีคติดังผ้าเปลือกปอแท้ข้อหนึ่งอีกทรงห้ามไว้ว่าณนะพิกเวบาหิระโลมิอุ น, นิธาเรตบาว่ายาหอมผ้าปาวานทําด้วยขนเจียม ทำให้ขนออกข้างนอกผ้าห่มดังนั้นต้องถูกกดปมผ้าให้ขนเข้าข้างในควรอยู่ข้อหนึ่งอย่านั่งรัดเข่าด้วยผ้าสังคาติถ้านั่งรัดดังนั้นต้องถูกกดด้วยทรงห้าไว้ว่าณพิกเวสังคาติปลัดกิกายะนิสีดิตับบังรัดเข่าด้วยอาโยคะก็คือผ้าสำหรับรัดเข่านั้นควรอยู่ด้วยเป็นของที่พระองค์ทรงอนุ ญ, ญาตเพราะฉะนั้นจะเอา สังคติมานั่งมารับเข่าก็ไม่ได้นะหรือว่าเอาสังคติมานุ่งไม่ได้เอามาหอมได้แต่ว่าเอามานุ่งไม่ควรอันนี้ก็แสดงไว้ในเรื่องของธุดงเวลาย้อมผ้าก็องไม่ควรจะเอาสังคติมานุ่งแต่ว่าเอาจีวรมานุ่งได้ถ้าเป็นสองทบแล้วก็เอามานุ่งอาจจะเป็นเรื่องของความบอบบางของสังคติสองชั้นหรือว่าสี่ชั้นที่ทําในสมัยก่อนไม่ได้เย็บ ด, ด้วยจกักเหมือนกับสมัยนี้เพราะฉะนั้นก็คงจะก ด, ดด้วยได้ง่ายก็เลยไม่อนุญาตแต่ถ้าเป็น จีวรชั้นเดียวอย่างเงี้ยก็เอามานุ่งได้เอาม า, าพับเป็นสองทบแล้วก็นุ่งได้ข้อหนึ่งอีกสงห้ามไว้ว่าณพิคเวจาตุมมาสังนิสีดาเนนะวิปะวะสิตบังว่ายาพึงอยู่ปรจาจ่าผ้ารองนั่งมีชายสามชายชื่อว่านิสีธนะนานถึงสี่เดือนถ้าอยู่ปราจากดังนั้นต้องทุกข์กดเพราะฉะนั้นก็ให้อยู่ปรจาจ่านานได้ไม่เกินสี่เดือน ถ้าอยู่อย่างนั้นไม่เกินสีเดือนก็อาแบตบดทุกกฎแต่ถ้าเกิดไม่ได้อธิษฐานเป็นผ้านิสิตนะนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าผ้านิสิตนานี้ก็เป็นผ้าสามชายที่สามารถที่จะเอามานุ่งเอามานุ่งได้เหมือนกับแผมเพิดเป็นสามชายแล้วก็ผ่าตรงนั้นก็เอาไว้ใส่ร่องขาแล้วก็พับขึ้นไปเหมือนกับนักมวยกรัมญี่ปุ่นสูโมอย่างเง้ใส่ไว้เวลานอนสาหรับคนที่กลัวน้อาอสุจิจะเปื้อน เสนาธนะเพื่อนที่นอนอะไรต่างๆเพื่อนจีวร อ, อะไรพวกนี้ทางการอนุญาตมันให้แต่ว่าถ้าเป็นผ้าธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีตามชายอะไรก็ให้ทานบริการโจรอันนี้เอาไว้ปูนั่งได้เหมือนกันแต่ว่าไม่เรียกว่าเป็นผ้านิสิตนะเท่านั้นเองถ้าไม่มีนิสิธนาจะอยู่ปรดาดจากตลอดไปเลยก็ได้เพราะว่าสาหรับผูท้ที่ถือผ้าสามผืนถือผ้าตรจีวรสามผืนใสฐานทุดอ ง, งนะี่นะก็ไม่ได้มีผ้าปูนั่งเหมือนกันไมได้มีผ้าปูนั่งเพราะว่าผ้าปูนั่ง นิสิตนาเนี่ยเอาไว้นุ่งผมของผู้ที่ถือธุดงจะใช้ผ้าอย่างดีผืนที่สี่ได้ก็คืออังสัอังสะก็กว้างได้คืบหนึ่งยาวก็สามซอกเป็นผ้าผืนที่สี่ได้เท่านั้นไม่ได้เอามาใช้นุ่งผมเพราะฉะนั้นบบนิสิตนานี่ใช้นุ่งได้เพราะนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะเป็นผ้าผื้นที่สี่ของผู้ที่ถือไตรจวรเป็นวัดผ้าสามผืนได้ข้อหนึ่งยาพึ่งมีแต่ผ้านุ่งผ้าห่มสองผืนเท่านั้น ไม่ครบไตรจีวรเข้าไปบ้านถ้าเข้าไปดังนั้นต้องทุกกฎด้วยตรงห้ามไว้ว่าณพิขเวสันตุตเตนะคาโมปวิสิตาโบปัจจัยคือเหตุเพื่อจะเก็บผ้าสังคติและผ้านุงผ้าห่มพื้นใดผื้นหนึ่งไว้ไม่ต้องเอาไปด้วยมีห้าอย่างก็คือข้อที่หนึ่งคิลานโนวาโหติเป็นไข้ยอยู่ถ้าเป็นไข้นี้ก็เป็นเหตุที่จะทาให้เก็บเอาผ้าไปได้ไม่ต้องเอปครบสหรับไตรจีวร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 หรือกระถินได้กรานแล้วทั้งห้าข้อนี้นะลงลิ่มสลกักรักษากูดีอย่างเดียวเป็นประมาณเอาข้อนี้เป็นประมาณในความเป็นไข้และสังเกตว่าการฝนและไปยังสั่งแม่น้ำและได้กรานกระถินแล้วสี่นี้เมื่อด้วยเมื่อกุดีวิหารรักษาแล้วจะออกไปในภายนอกวัดควรอยู่เมื่อไม่รักษาไม่ควรนี่ก็แสดงว่าในบรรดาห้าข้อนี้ก็ถือว่าเอาลิมสลัก ริมสลักถือว่ามีกุญแจไขล็อกดาไม่ได้เนี่ยเป็นประมาณแต่และอีสีข้อก็จะต้องมีข้อใดข้อหนึ่งด้วยอันนี้เป็นประมาณก็อนแลายทิจุยู่ป่าวิหารกุดีซึ่งรักษาด้วยริ่มสลักไม่มีเธอนั้นพึงเอาผ้าไว้ในหม้อสําหรับเก็บของซ่อนไว้นี้ที่กําบังเป็นต้นว่าซอกหินและโพรงไม้แล้วจึงไปอันนี้ก็ไม่เป็นอบัติแต่ว่ามีวิธีการหนึงก็คือว่าถอนเสีย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 แต่ว่าก็จะทําให้มีสติสัมปชัญญะเข้าในแรียบ้านก็ถอนกลับมาก็อธิษฐานาเป็นสังคติเหมือนเดิมหรือว่าหมสังคติไปก็ถอนถ้าหม่มอุตรสงเน้นนะกลับมาก็อธิษฐานก็จะทําให้เป็นการรักษาพราะวิ น, นัยแล้วก็เพื่อพูนสติรักษาพราะวิ น, นัยไม่ใช่ไม่เ อ, อื้อเฟื้อเพราะว่าถ้าอธิษฐานเป็นบริขารจนหมดเลยก็เลยไม่ต้องรักษาและไม่จําเป็นจะต้องมีเราก็มาได้รักษาสิทธาบทข้อนี้ด้วย ตัวปัจจัยก็คือเหตุเพื่อจะเก็บผ้าอาบน้ําฝนไว้แล้วและไปก็มีห้าข้อเหมือนกันข้อที่หนึ่งข้อที่สามกัข้อที่สี่ 3, ก, 4, ก็เหมือนกันเหมือนกันกับผ้ากรจิวรก็คือข้อที่หนึ่งก็ป่วยเป็นไข่ยอยู่ข้อที่สามก็คือไปถูกฝั่งแม่น้ําข้อที่สี่ก็คือวิหารกุดีเนี่ยรักษาลงลิ้นสลักได้ส่วนข้อที่สองก็คือนิสีมะคโตวาไปยังภายนอก อ, อุเบกขาศีมา แค่อุปจาระสีมาเท่านั้นไปยังภายนอกอุปจาระสีมาเท่านั้นถ้านล่วงเราสีมาไปก็ไม่ได้ไปในแรกบ้านแล้วก็ข้อที่ห้าก็คือวัสสิกะสาติกาอะตะตาวาโหติวิปป ะ, ะตะตาวาถ้าอ่านผลยังไม่ได้ทำหรือว่าทําค้างอยู่แต่ว่าแสวงหามาแล้วมันถึงฤดูฝนก็แสวงหามาได้ในช่วงที่กําหนดเอาไว้ยังทําค้างอยู่ก็ไม่ต้องเอาไปก็ได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องของจีวอปฏิสังยุตต์กระถาก็จบเรื่องของญานเรื่องขญานไม่เป็นใครนี้ไม่นั่งญานก็เอาไว้ตอนวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอใท่านเจริญด้วยศีลธรมที่ปัญญามีตัฐาปสาธะในการที่จะอบรมสติปัญญารักษาธรรมวินัยของพระสัมมาสมัมเจ้าเจริญรอยตามพระอริยาสาวกทั้งหลายแล้วก็ปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของท่านทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอริยาสาวกขอให้ได้ตรัสรู้อริยาสัจธรรมโดยทั่วการวยเทินสาธุ สาธุสาธุอัตโมทามิ